อ, อตอนนี้ไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟ <c oughs> ังคำแนะนำสักครู่หนึ่งในตอนต้นนี้ขอพูดกรมบรรดา น, นักปฏิบัติรวมทั้งเก่าและใหม่การเจริญพระกรรมฐานขอทุกท่านในโกรธาความประสงค์พระองค์สมเด็จตถาส ม, มัยสัพพุตยาย เออพระพุทธเจ้ามีความมุ่งหวังอย่างเดียวคือต้องการให้มันดาแทนพุทธบริษัทเข้าถึงพระนิพพานทั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารเออเกิดเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรต ก, ก็ดีเป็นสุรกายก็ดีทั้งหมดนี้ไม่มีใครมีความสุข <c oughs> ทุกคนมีแต่ความทุกข์อาจเรจะได้เกิดเป็นเทวเทวดาหรือผมมีความสุขแต่ว่าความสุขนี้มีได้ไม่นานมาหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดแต่ว่าในเวลาปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงความทุกข์ในนรกในเปรือกในร่างกายกาาพื้นฐานบรรดาเทวทริษัทย์อาจจะไม่เข้าใจ ตรันี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่อยู่ในสัทาเป็นนันเวลานี้ท่านเป็นคนดังนั้นเมื่อท่านทุกคนเป็นคนก็จงมองความเป็นคนว่าคนเนี่ยมันมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์นี่พระพุทธเจ้าทูลกล่าวว่าชาติมีทุกข์าความเกิดเป็นทุกข์เจรามีทุกข์าความแก่เป็นทุกข์มรณะมีทุกข์ขังความตายเป็นทุกข์ โกะรืฤติวัตุกฐมรัมสุปราญาตเป็นต้นนี่เรียกว่าความเศร้าโศกเสียใจยเป็นทุกข์และความพัดกล้าจากขอรักขอทอบใจเป็นทุกข์ในเวลานี้ท่านทั้งหลายเกิดมานี้ท่านมีความทุกข์อย่างนี้บ้างหรือเปล่าหนึ่งชีวิตคุณท่านเกิดมาทุกวันเดินก็ไปหาความแก่หรือเปล่า และก็ในช่วงที่วิที่ทรงตัวอยู่นี่มีการป่วยไข้ไม่สบายไหมแล้วก็มีการพัดฆ่าจากของรักของชอบใจแม้คนที่เรารักคนที่เคารพรสัตย์ที่เรารักสัตย์ที่เราเราชอบมันตายจากเราหรือเขาตายจากเราเขาต้องพัดฆ่า จ, จากเราไปมีไหมวัตถุที่เรารักที่เราชอบมันต้องสูญเสียสูญหายไปมีหรือเปล่า นี่รการหนึ่งการกระทุกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจมีไหมแล้วก็นในที่สุดทุกคนคิดว่าหรือเปล่าว่าเราจะต้องตายเอเมนอ น, นว่ามันเป็นความทุกอย่างหนึ่งที่มีระยะยาวแต่ทุกอีกอันหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกวันนิพพัตตะทุกนิพพัตตะทุกคือทุกเนืองนิดมันทุกทุวันได้ก็นหนึ่งความหิว ถ้า ว, วันไหนเราไม่ต้องการกินข้าวไม่ต้องการกินน้ำเลยสักวันจะทนไหวไหมถ้าจำจะต้องทนก็ทื่อว่ามีทุกข์เป็นอันว่าเราก็ไม่สามารถจะทนกันได้ไม่มีใครอยากจะทนและเรื่องความหิวนี่มันก็เป็นทุกข์การปวดอุจจาระกวดสวามันก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เป็นทุกข์ ทุกมาจากไหนทุกจะมาจะาร่างกายขึ้นเชื่อว่าร่างกายไม่มีความสำคัญมากเราอยาะคุนเปลืร่างกายไงกตามให้มันสิ้นทุกก็ไม่มีทางอาการที่เราเข้าไปคุนเปอร่างกายนั้นเราก็เป็นทุกข์ร่างกายต้องการอาหารเราต้องหาอาหารการทำงานหาอาหารไม่ต้องเสี่ยงกับความไม่สบายกายไม่สบายใจ เราจะนั่งเราจะนอนอยู่ตามปกติไม่ได้เพราะมันไม่มีจะกินการประกอบกายงานทั้งอย่างต้องมีความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายทั้งใจแล้ะต้องใจทรัพย์ับอาการทั้งหมดนี้คนมีปรรัญญาเขาเรียกวัตทุกและในเมื่อเราได้อาหารเข้ามาแล้วเราบริโภคอาหารเข้าไปแล้ว ป, ปลุนเปื่ยร่างกายร่างกายมันชอบเปรี้ยวเราให้กินเปรี้ยวร่างกายมันชอบเค็มเราให้กินเค็ม ถ้าปลายมันก็ต้องกินเผ็ดที่กินไหวก็หาให้มันถ้ามันหนาวหาเครื่องอบอุ่นมาบังให้ถ้ามันร้อนก็หาเครื่องยินมาช่วยมันเทาความร้อนทั้งนี้เราต้องการอย่าเป็นพุงผมร่างกายทห้ ม, มีการทรงตัวไม่มีการเสือ่อมไม่มีการสลายตัวแล้วทุกคนก็ทํากันอย่างนี้ทั้งหมดไม่ว่าใครเกิดมาแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกัน แล้เห็นมีใครบ้างที่เป็นหนุ่มเป็นสาวคนเปรอร่างกายอย่างดีแล้วไม่แก่มีไหมคนนี้คนปเปรอร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างมีอาหารดีๆกินมีที่พักผ่อนดีๆแล้วเขาไม่แก่เขาไม่ป่วยมีไหมเป็นด้านนั้นก็ไม่มันว่าไม่มีก็ต้องแก่ต้องป่วยได้คนประเภทนั้นที่เขาตายตายไปแล้วแต่ใครมีใครบ้างไหมท่านได้เกิดมาไม่ได้กินอาหาร แต่มีใครบ้างไหมที่ด้เกิดมาไม่มีการพลนเปล่าร่างกายไม่มีทุกคนเราก็ปรวมร่างกายเป็นอย่างดีแต่ในที่สุดคนพวกนั้นก็ต้องตายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะร่างกายมันมีความเกิดที่เบื้องต้นมีความแปรปรวนเป็นธรรมกลางแล้วก็มีการแตกสลายเสียตายเป็นในทีสุดที่เป็นธรรมดาของมัน เราจะคนเปรย์ยังไงก็ไม่เป็นเรื่องฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าเราที่มีทุกข์กันอยู่เวลานี้ต้องมานั่งหิวนั่งกระหายปวดอุจาระปวดปัสสาวะต้องมีความเหน็ดเหลื่อยในการงานต้องกระทบกระทั่งการลมที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างต้องพัดชา่าแก่ของรักของตบใจต้องตาย เราร็บ้าเราหลงในร่างกายเรามีความรู้สึกคิดว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราแต่เนื้อแท้จริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาคุมกันทั่วคราวแล้วมันก็สลายตัวไปเวลาที่ร่างกายพังจิตใจไม่ได้พังไปด้วยทําไปสู่ธาตุสุข ถ้าเราทําความชั่วก็แปลใบภูมิไปเกิดเป็นสัตว์รกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็สุรกายบ้างถ้าทําความดีมากกว่าความเป็นคนแล้วก็เกิดเป็นเทวดาถ้าเรามีฌานสมาธิใหม่ <c oughs> ถ้าเป็นนั้นว่าเรืนอจิตวรา่างกายนี้มันมีการทรงตัวฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังทรงแนะนํา ว่าต้องการความสุขจริงๆเพราะบรรดาทานพุบริษัทตัดสินใจมองเห็นความทุกข์ของร่างกายเส้ยเป็นปกติคิดว่าร่างกายเร็วๆอย่างนี้จะมีกับเราก็คือชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปร่างกายเร็วๆอย่างนี้เป็นจะไม่มีสำหรับเรา แล้เราก็ไม่ต้องการร่างกายของผมไม่ต้องการร่างกายาของเจวรนดาก็มีความสุขไม่แน่นอนร่างกายที่แน่นอนมีการทรงตัวมีความสุขไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือกายของสังขารเราตั้งใจไว้เลยว่าถ้าเราตายคราวนี้เราขอไปนิพพานนี่ถ้าเราจะไปนิพพานได้เราก็ต้องใช้กาลังใจสูงนิดหนึ่งนั่นคือตัดโลภะความโลภ ไอ้คำมโลภเนี่ยหากินโดยสติริธรรมเขาไม่ได้โลภเราไม่คิดจะโกงใครไม่คิดจะลักจะขโมยเขาหากินโดยสมาธิว่าโดยชอบธรรมอันนี้คิอว่าคนไม่มีความโลภเราพยายามะระงับอารมใจความโกรธไม่อยากามันมีขึ้นมันจะมีบ้างเพยับยัง้งมันเป็นข่าวครา ว, ราวไม่ที้สุดมันจะคิดเรามีความรู้สึกเสมอว่าเราเป็นคนไม่มีเวรไม่มีใครกับใครจะไม่เป็นศุกรูกับใคร ใหม่ๆก็ลืมบ้างอะไรบ้างเ็นก้อนธรรมดาไม่ชาไม่ตกทีณขนะั้นสุดท้ายล้วก็มีความรู้สึกเ ส, สมอว่าการมีร่างกายแบบนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการไปนิพพานหลังจากนั้นก็รวบรวมกําลังใจที่ว่าเราขอยอมรับนับุญองค์สมเด็จพระสมรัมม า, า, า, าสัมพุทธเจ้าเพื่อทำรัตถาริยาสุขด้วยความจริงใจ รายการที่สองเราจะมีสินห้าบริษัทขุดกล่องไม่ละเมิดสินห้าดิจิทนาคือการตั้งใจรายการที่สามเมื่อคิดว่าถ้าเราตายเท่านี้ทำความดีทุกอย่างเราไม่มุ่งไปหวนไม่มุ่งไปมโลกไม่มุ่งการเกิดม น, นุษย์เราทําเพื่อพระ น, นิพพานอย่างเดียวอารมณ์ทั 3, ้งสามรายการนี้ขบรนดาที่พุทธบริษัทส่งตัวไว ถ้าศราสินห้าข้อใดข้อหนึ่งถ้าท่านละเมิดก็วเป็นการเปิดโอกาสเวลาที่เราตายต้องลงนรกนีนั่งความชั่วการละเมิดสินใดใดมีในการก่อนก็ยกไปทีว่าเราเริ่มต้นกันใหม่ถ้ากำลังใจเราท่านทรงได้อย่างนี้คือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงในประธรรมจริงในพระอารยียสงศ์จริงแล้วตั้งใจไว้ตั้งแต่บัดนี้ไปว่าจะส่งสินห้าบริสุทธิ์ และจิคิดไว้อย่างเดียวว่าถ้าตายคราวนี้ขอปาณิจักรอย่างนี้พระบรมเจ้าทรงเรียกท่านว่าเป็นเบโซดาบันถ้าเป็นเบโซดาบันไดจริงจริงเบโซดาบันนี้ก็เป็นเท่านี้บาปทั้งหมดที่ทํามาแล้วทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผลลบล้างกันไปเลย แล้วตายเป็นเมื่อไรก็ตามจะไม่มีการเกิดเป็นสัตว์โลกเป็นเปนตรตเป็นสุสรกายไป็นสุริขันเพราะบาปไม่มสามารถจะให้ผลได้และก็ท่านมีโอกาสจะเข้าถึงนิพพานถ้าทรงกำลังใจได้อย่างนี้แล้วก็ทรงอารมณ์อย่างหนึ่งคิดว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพุมโลกก็ดีเป็นภัยสำหรับเราเราไม่ต้องการจุดที่เราต้องการเรามีอย่างเดียวคือพระนิพพาน ถ้าคิดอย่างนี้ได้ท่านหนึ่งตายเมื่อไรปรานิพันเ์แบบนั้นมีสำหรับทุกท่านนะแล้วก็ต่อที่ไปขอผู้กับท่านผู้มาปฏิบัติใหม่่านผู้มาปฏิบัติใหม่ให้ให้มั่นใจในตัวเองว่าเวลานี้ท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ในวันก่อนจะบกท้องอะไรบ้างก็ช่างเร็ดวันนี้เราสมาทานศีลแล้วแล้วแต่เวลาทานสมาทานศีลแล้วเราไม่สึกแล้วศี ล, ลไม่ขาดไม่บกค้อง ทุกคนยัมีความมั่นใจว่าเวลานี้เราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ที่เวลาปฏิบัติให้ภาวนาวนาาัณะมัปปะเวลาให้ใจเข้าในว่าณะมะเวลาให้ใจออกในวัฏปะและเวลาภาวนาก็รู้ลมให้ใจเขาออกแล้วปล่อยใจสบายๆอย่าบังคับให้มันหนักมันเบาให้ลมมันยาวมันสั้น ลอเราไม่ใจไปตามโบตินิพพานาตามไปบางครั้งมันก็เผลอบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ไปขอธรรมดาเวลาที่ภาวนาจนอยากอยากรู้หลากหลายอะไรทั้งหมดเพราว่าเวลาภาวนาแล้วต้องการให้จิตเป็นทิพย์ถ้าไปอยากรู้อยากเห็นก็จิตมันก็เหม็นไม่เห็นทิพย์ไปสามารถจะไปไหนได้ นี่เวลาที่ครูเข้าไปแนะนําพราดิฉันสัญญยาอยีกหนึ่งจะมีคนเข้าไปนั่งขนาทให้เขาจะแนะนําท่านเมื่อปรากฏว่ามีคนไปนั่งขนาในตอนนี้ให้หยุดภาวนาเสียไม่สนใจกะระลุงให้ใจเขาออกฟังคําแนะนำํำของผู้แนะนําเขาแนะนำว่ายังไงตัดสินใจไปตามนั้นทันที ให้เ้าถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีเทวดาเจ้าหรือว่ามีเทวดามาดี้างหน้ากันหรือเปล่าให้ความรู้สึกเข้าใจมันบอกว่ามีต้องตอบ ท, ทันทีนะจะไปนิ่งอึงอยู่จะนิ่งอึนอยู่ผิดทั้งหมดวเวลานั้นจิตเป็นสมาธิอารมณ์เป็นทิพย์ไม่มีอะไรจิตความรู้น่ะตรงทุกอย่างต้องตอบทันทีทันใด เขาถามว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใจมันว่าผู้หญิงก็ตอบผู้หญิงใจมันว่าผู้ชายก็ตอบผู้ชายตอบกันทีคําว่าทิพย์จ่กุญานนี้ไม่ใช่หลงตาเป็นทิพย์มีความรู้สึกทางใจถูกต้องตามความเป็นจริงเราเรียกว่าทิพย์จุกุยานแล้วต่อที่นี่ไปคุณบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันขันธ์าร์ผู้ใหม่กําหนดรู้ลมให้ใจเขาออกให้ใจเข้านิพนณมาให้ใจออกเพื่ภาทะ แล้วก็สําหรับท่านที่ทมามันได้แล้วให้รวบรวมกําลังใจสัตวขันห้าตามที่ว่ามาแล้วคิดว่าเราต้องการกาพิพีการจุดเดียวตอนที่นั่งไปก็กําหนดพระรูปประโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กองใส่คราวนี้พระครูจะได้แนะนําท่านหลายให้เข้าถึงถึงทำส่วสูงถึงอ า, าจารย์ไานมาแล้วตอนั่งไปก็าเริ่มปฏิบัติได้ปฏิบัติฟังคําแนะนําสักครู่หนึ่ง สำหรับท่านที่ปฏิบัติได้แล้วนี่ก็กำลังที่ครูจะนำท่องเที่ยวไปจังกบต่างๆหรือว่าฝึกยานแปลกแต่ความจริงการท่องเที่ยวไปในพบต่างๆคนดีหรือว่ายานแปลกคนดีก็เป็นของเก่าที่เราฝึกได้นั่นเองหรือว่าเอาความรู้เดิมและความสามารถที่ฝึกได้ในวันต้นในไท โดยเฉพาะ อ, อย่างนี้ที่เรียกว่ายาน 8. แปดนะครัว่ายานนี้มันเป็นภาษาบาลีฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันจะยากแต่ความจริงไม่ยากยานนี้ก็แปลว่าความรู้รู้ด้วยกําลังของจิตที่เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีอารมณ์เป็นทิพย์เมื่อมีอารมณ์เป็นทิพย์ก็สามารถจะใช้จิตได้แปดอย่างชนหนึ่งทิพย์เป็นจุฬา สามารถจะเห็นสิ่งในสิ่งของนี้ทีรับและสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเช่นผีสวรรค์นรกสวรรค์เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าทิฏยิยุคยานและก็ใช้อารมณ์ความจริงทิฏฐิยุคยานนี้เราได้แต่ตอนแรกที่ครูเขาพาไปสุลามณีทวัตปนิพันธ์ให้สามารถจะเห็นจะรู้ภาพต่างๆได้อย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิุคยาน ต่อมาก็นำเอาทิพย์จุภุญานนั้นมาใชใ้เป็นประโยชน์ต่อไปอันดับที่สองเรียกว่าจุตุปปาฏิยานคือถ้าจิตมีรมทิพย์จุภุญา์คล่องเห็นคนเลเห็นสัตว์พอเห็นเข้าแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าคนพวกนี้และสัตว์พวกนี้ก่อนจะเกิดมาวิมีรูปร่างแบบนี้มาจากไหน พอยิ่งข่าวคนตายหรือสัตว์ตายก็รู้ได้ทันทีว่าผู้ตายเนี่ไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้ถ้าใช้ยอย่างนี้จะเรียกว่าจตูปปาติยานความจริงก็ทิพยุติยานเองก็เปลี่ยนชื่อไปต่อมาก็เป็นปุถีนิวาสานุสติญาคือการลึกชาดได้ก็ใช้กําลังของทิพยุติยานนั่นแหละไว้หลังชาติการเกิดของเรา ว่าก่อนที่จะมาเกิดที่นี่เรามาจากไหนก่อนจะนั่นมาจากไห น, นก่อนจะนั่นมาจากไห น, นแล้วก็สภาวะในชาติต่างๆเรามีรูปร่างหน้าตายีดามันดามีที่มีน้องมีสามีารรมาเป็นยามีทรัพย์สินอย่างไงบ้างมีความสุขมีความทุกข์แบบไหนแล้วก็รู้ได้หมดอย่างนี้เรียกว่าปุถีนิวาสานุติญาณต่อไปก็ใช้กําลังที่ญญาณรู้เหตุการณ์ใ น, นดี ืนในอดีตที่ร่วมมาแล้วขอคนก็ดีของใสก็ดีของวัตถุก็ดีของพื้นที่ก็ดีถ้ารู้เป็นเรื่องของคนอื่นมีเขาเรียกตีตามสียานถ้ารู้เรื่องของเราเองเขาเรียกปุเพนวาสารต่างสี่ยานเขาไปอันเดียวกันที่ต่อมาก็เป็นนนายขาต่างสี่ยานดวยกายขนานา รู้เรื่องของเราที่มีขึ้นเบื้องหน้าก็ดีรู้เรื่องของคนอื่นก็ดีเขาใส่เขาดีเพราะถูกคนดีว่าท้านหน้าจะเป็นมายัางไงหรือมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างนี้ท่านเรียกว่าอนาคตาสัญญาณต่อมาที่เราจะรู้ได้อีกก็ปัจจุบันสัญญาณปัจจุบันสัญาณก็รู้ทรา บ, ราบว่าปัจจุบันในเวลานี้ คนที icate, anyway, ่มีชีวิตอยู่สัตว์ที่มีชีวิตอยู่วัตถุธาตุที่มีอยู่ในโลกหรือว่าคนแสัตว์ที่ตายไปแล้วเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนก็ทําอะไรอยู่ก็มีความสุขความทุกข์อย่างนี้เรียกว่าปัจจุบันนั่นเรียปัจจุบันปัจจุบันนามสาณคือรู้ปัจจุบันต่อไปก็เป็นยะถากมรตายญาน สหรักยะถากรมรตายาณีรู้เหตุของความสุขหรือความทุกข์เราก็ดีคนอื่นก็ดีศาสน์อื่นก็ดีที่มีความสุขอยู่ในปัจจุบันหรือมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันหรือว่าคนหรือสัตว์ที่ตายแล้วไปลงนรกตายแล้วไปเป็นทิวรรดาไปเป็นสุนทริปานเพราะผลของกรรมอะไรเป็นเหตุอันนี้เรารู้ได้ทันเราไม่ต้องฐานเจ้าของ ไม่ตจำบอกให้ใครใหอธิบายฟังรวมความว่าการฝึกที่บรรดาในพุทธบริษัทฝึกชหลายบรรทัศน์หลายฝึกเปนเนี่ยนอกจากว่จะมีจิตเป็นสมาธิแล้วถ้ามีความสนใจเจริงว็ายัางได้ประโยชน์อีกแปดรายการนอกจากว่าเราจะไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวสวัวมมโลกไปนิพพานไปในะรลกไปสูดด่แดนเสือสุรกายแล้วก็ยังมีสมบัติติดตัวคือหนึ่งคิตติยคุยาน สามารถเห็นในสิ่งที่มีคนเห็นได้สองจุดูปกาติยานรู้ความรู้ว่าสัตว์และคนที่เกิดมานี่ก่อนเกิดมาจากไหนอดินข่าวคนตายรู้ทันทีว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็มีจิตเลื่อมเจโตริยานแล้วก็มีเจโตปริยานสามารถรู้อารมณ์จิตของตัวว่ามีกิเลสอะไรบ้างหนาหรืบาง ถ้าสามารถรู้ว่าลมใจเขบอกคนอื่นว่าใจนั้นมีกิเลสอะไรอยู่บ้างใจนึกดีหรือว่านึกชั่วใจมีสุขด้ือว่าใจมีทุกข์แล้นี่คือได้เจโตวิญญาณต่อมาก็เป็นปุกเพริวาสามสิญญาสามารถขอยหลังช า, าติของตนเองได้ที่เรียกว่าลึกกานได้ถ้ามีอาตีต่งางวิญญาณด้วยการขอยหลังก็ไปได้แน่ดีอนันข้าต่งวิญญาณด้วยกายขาดได้ ประจุดปัญญายาณุเหตุการณุปัจจุบันได้ทุกอย่างยะ้ากำหมดญานความสุขด้วยความทุกข์ที่เกิดกับเราหรือเกิดกับคนอื่นมีอะไรเป็นเหตุเราทราบทำให้ใจสบายเว็นรัมาการฝึกแบบนี้มีกำไรสนหรับบรรดาท่านผู้ตบริษัทละคุณสมบัติที่ฝึกได้อย่างนี้ถ้าได้จริงจริงบรรดาท่านบริษัทชายหญิงถ้าไม่ขี้เกียจ ธรรมวาสนาบารมีเนี่มีที่เกียรติหรือบังคยันถ้าไม่ที่เกียรพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามุ่งหมายเอาจริงๆจะเป็นอรหันต์ภายในจิตวันถ้ามีกําลังใจตามไปนิดหนึ่งจะเป็นอรหันต์ภายในเจ็ดเดือนถ้าอย่างเลวที่สุดตั้งใจจริงแต่ย่อหย่อนมากไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นอรหันต์ภายในเจ็ดปีแต่คนที่ทําได้อย่างนี้ภายในเจ็ดปีไม่ได้อรหันต์ก็ถือว่า ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีบารมีเป็นปรมัดธรบารมีอาจจะเป็นผู้ว่าบารมีทั้งบารมีทั้งบารมีต้นแล้วทำไม่ได้จะอย่าน้อยเป็นเจ้าบารมีอันนี้สําหรับท่านที่ทําได้แล้วการจะทรงอารมณ์ให้มันดีอย่าประมาทก็มีหลายท่านเหมือนกันพอท่านได้แล้วกลับไปบ้านก็นสูญหายเสียอันนี้ก็ไม่รู้อจาสงสารตรงไหน ก็เเรื่องเขาตนเองจะทรงได้หรือไม่ได้กับ เ, เรื่องของตัวผู้รักษาหรือว่าทำได้แล้วในตอะรักษาอย่างนี้คือหนึ่งทรงสิ้นให้บริสุทธิ์เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ้นห้าถ้าสิ้นห้าบกกร้องนี้ไม่มีทางทรงนรกแน่ไม่จะทําทอย่างนี้ได้ก็วี่หนีนรกไม่ทันและบริการที่สองพยายามรักษารมให้ทรงตัว คือใช้เวลาว่างๆจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็ได้เอา ส, สบายนั่งทางไหนก็ได้รักษาลมใจให้ทรงตัวโดยไม่เที่ยวไปไหนคือกำหนดรู้ลง ใ, ใจเขาออกเวลา ใ, ใจเข้านึกว่นะันมะเวลา ใ, ใจาออกกมอวันพระพให้จิตเราทรงอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่ต้องมันแน่นสนิทจักให้รู้เข้ารู้ออกเพรจิตสบายๆอย่างนี้คนจะมีเวลาสักวันหนึ่ง เรื่องวาวาระหนึ่งสิบนาทีหรือว่าห้านาทีให้จิตองตัวไม่ใหญ่ดีจริงๆแล้วก็เวลาก่อนจะหลับนอนลงไปแล้วจับลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกวันะมะมาใจออกแล้วพาทาปล่อยให้มัน ห, หลับไปเลยพอตื่นขึ้นมาใหม่ก็จับแบบนั้นยังยไม่ต้องลุกขึ้นนั่งนอนนั่นแหละนอนอย่างนั้นหละพอรู้สึกตัวมาก็เล็มไห้ใจเข้านึกวันมะมาใจะออกแล้วนพะาท ให้จิตมันสบายที่สุดถึงวาระที่เราจะทํางานก็รู้ไปถ้าทรงกําลังใจได้อย่างนี้ทุกวันแล้วก็ทานที่ได้ไม่เสื่อมดีมีตะเจดีเสริญขึ้นแล่นเลยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ที่มีความสําคัญจะมีความแจ่มใสได้ไม่แจ่มใสอยู่ที่อารมณ์อารมณ์ระดับแรกก็คือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าสิ่งให้วระธรรมสิ่งในพระอริยสงฆ์สิง และก็มีศีลบริสุทธิ์จริงจตมุ่งมั่นเฉพาะพระนิพพานจริงอารมณ์ค่อนข้างตรงอารมณ์ได้อย่างนี้ถ้าสามรายการทานที่ได้นี่มันไม่เสื่อมไอ้คําว่าเสื่อมไม่เสื่อมใช้ได้ตลอดเวลาจะโวไปบ้างจำใส่บ้างนี่เป็นของธรรมดาสําหรับร่างกายพราร่างกายมันไม่ดีก็โมไปนิดหนึ่งเป็นของธรรมดา ถ้าร่างกายดีก็แจ่มใสขึ้นมานี่พระเจ้าธรรมดาธรรมดาไม่ควรไปคิดคิดไปเรียงว่าอารมณ์ทรงตัวอยู่เสมอจิตไม่ไม่คลาดเกิดความเลื่อมใสในองคมม์สาเด็จสมัสมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์อันนี้ใช้ได้นี่สาหรับท่านผู้ปฏิบัติได้แล้วนะวันนี้สําหรับท่านผู้มาใหม่ท่านผู้มาใหม่ให้จ้างใจปฏิบัติแบบนี้ อันดับแรกทุกคนนะต้องมั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์และก็เรื่องศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากถ้าศีลของเราไม่ดีสมาธิมันก็ไม่เกิดถ้าสมาธิไม่ดียานคือความแจ่มใสเห็นนั่นเห็นนี่ไปโน่นไปนี่ก็ไปไม่ได้ีเรื่องต้นจริงๆต้องตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ บริสุทธ์วันนี้ด้วยแล้วก็บริสุทธิ์ไปทุกวันจนกว่าจะตายสาหรับก่อนหน้าจะมาที่นี่จะบริสุทธิ์ือไม่บริสุทธิ์อันนี้ไม่สําคัญมันถือว่าเป็นเวลานั้นให้ตั้งใจไว้ว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะทรงสินห้าบริสุทธิ์บางครั้งมาอาจจะเผลอไปบ้างอะไรไปบ้างขอยับยั้งใจอั น, นี้ก็เป็นขอทบรรดาไม่ช้าเราก็พ้ ถ้าสมาธินี่ขึ้นอยู่กับศีลถ้าศินไม่ดีสมาธิมันก็ทรงตัวไม่ได้เมื่อตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็จงคิดว่าขึ้นที่แบบการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเป็นชีวิตดาคนดีเป็นธงคน ด, นมดีมันไม่ค้นความทุกข์สิ่งที่มันจะเป็นสุขจริงๆก็ได้แก่ผลิพันธ์จิตจะต้องคิดว่าเราต้องการผลิพันธ์และต้องการมีความจริงใจ อันนี้ผลทิดอยู่คุ ย, ยานที่เราจะถึงได้มันดีจะแจ่มใสก <c oughs> ็อารมณ์ใจม่ยึดผลิภานเป็นอารมณ์มันก็ไม่มีทางจะได้หรอกมันไม่ได้แน่เพราะธรรมะ น, นี่ธรรมะสูงสูงไม่ใิ่เบื่อสนนี่ต่อไปก็ประเดี๋ยวก็อย่าเพักพูดตอนนั้นให้บรรดาจานพุทธบริษัทกํกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออก เวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนว่าพระทะแต่ว่าเวลาที่ภาวนาอยู่ไม่ต้องปล่อยเราไ ม, ม่นแนบนิ่มมันเครียดปล่อยใจสบายๆหูยัยงได้ยินเสียงอยู่ปางทีก็เผลอไปบ้างอะไรไปบ้างอันนี้เป็นของธรรมดาอันนี้เพราะว่าการฝึกแบบนี้ไม่ต้องการสมาธิสูงขึ้นจากสมาธิต่ําเป็นชีวิตวิญญาณ ในเวลาภาวนาให้ใจจิตใจอยู่แค่คำภาวนาอย่างเดียวเยาวีายารู้อย่างถึงเข้าถ้าอยากรู้อย่างถึงจิตมันใส่ที่อุทจจะกุจจะจะนิวรนใช่ไม่ได้นึกให้ใจเข้านึกว่านละม้าให้ใจออกนั่งพระธาแค่นั้งแหละแค่นี้แหละคือต้องการให้จิตมีกําลังแล้วก็จิตเป็นทิศไม่ต้องตั้งใจให้มัเครื่องเกินไปต่อมาได้เหึนสัญญาณกรีดจะพิ่งลืมตา ยังมีคนเข้าไปแนะนําท่านที่ถึงตัวถ้าบุคคลใดถ้ายังมีผู้แนะนําก็ยังไม่ไม่ไปที่แท่งเราภาวนาไปก่อนแต่ใครมีผู้แนะนําเข้าไปแนะนำตอนนั้นทุกคนหยุดภาวนาเสียและก็ไม่สนใจก็หลงใจเข้าออกปล่อยใจสบายสบายฟั <c oughs> งคําแนะนําของผู้แนะนําตอนนี้ละจิตจะเริ่มหยุดคิด นี่ให้เข้าใจคำว่าเห็นคำว่าเห็นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเห็นมันลุกตาทะลืมตามันเป็นความรู้สึกทางใจถ้าจิตของเราเลวมันก็ไ่เห็นภาพจะรู้ว่ามีไม่เห็นภาพพาเขาถามว่าเห็นอะไรไม่มีความรู้สึกจะมีใครมายืนขนาบไหมไอ้เจ้าจิตมันบอกมีเท่า ต, ตอบมีเลยจะดีอย่าเป็ น, ปนโก่ใส่วัแนแหนได้ ว, วันไแนอย่างนี้เช่น ก็ถามว่ายืนเลื่อนนั่งสจิตมันบอกคนนั่งก่นั่งยืนก็ยืนน่งผ้าเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายผ้าสีอะไรสจิตมันนึกยังไงตอบทันทีอ ย, ย่ายางภาว่าเขาตอบตอบแล้วเขายืนยันในสองสามขั้งกําลังใจอ ย, าย่าดีขึ้นเริ่มเป็นการสนิทตอนนี้ไอ้ความรู้สึกเฉยๆที่ไม่เห็นภาพมันปรากฏมีภาพขึ้นมาในใจอันนี้ถือว่าเปรรูปอีก ข, ขั้นเลวที่สุดนะ ถ้าขั้นดีแล้วก็เขาเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสลวดลายเสื้อผ้าเขาไปเห็นชัดอันนี้มันมีสองขั้นขั้นดีกับขั้นเลวเราต่อทีนี้ไปพขาบรรดาเปา็นบริษัทลุ่มขั้นแต่งกายให้ตรงลำลองติดหม่ไหมกำหนดรู้เราไม่ใจเขาออกสัมผับข่านใหม่ให้ใจเข้านิสกณะมะให้ใจออกเอาพาชะเอาแค่นี้นะไม่จําเป็นต้องไปนึกอะไรทั้งหมดเอาแค่นั้นพอที่จะได้เป็นทุกข์ สำหรับผู้พร้อมที่เจะฝึกยานแปดหรือว่าท่องเที่ยวบันิพพต่างๆให้รวบรวมกําลังใจจับสินใจเมื่อร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าร่างกายนี้พังเมื่อไรเราต้องก า, าลายเป็นที่ไปหลังจากนั้นก็กําหนดใจจับรูปประโสอ ง, องค์สมเด็ษษพจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นธัดเห็นจีน ถ้าจิตตรงอยู่อย่างนั้นถ้าได้เวลาอาจารย์พนนู้แนะนำเขาเ็้าไปแนะนำท่านจะมีควาแมแฉม่อใสเห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างชัดเจนแล้วก็มีการคล่งตัวอย่างยิง่งต่อนนี้ไปทุกท่าเนเริ่มปฏิบัติได้